ว่างจากกิเลสว่างจากขันห้าขันนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ น, นิพพานไม่ใช่ศูนย์เปล่านะการที่เราภาวนาแล้ววันหนึ่งเราไปพบนิพพานถ้าเรายังมีชีวิตเหลืออยู่สิบปียี่สิบปีเราก็จะได้สัมผัสความสุขของนิพพานยี่สบสาสิปีในช่วงเวลาที่เหลืออยู่หลังจากนั้นบอกไม่ได้เป็นความลับนะเราพระพุเจ้าไม่พูดไว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 ขึ้นได้เราก็ลงได้เสื่อมแล้วก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่อย่างนั้นเองงั้นฟังทำรรตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้ปฏิบัติเอาไว้ประพฤติเอาไว้ลงมือทํามไม่ได้เอาไว้คิดเล่นเล่นเอาไว้คุยเล่นเล่นถ้าสังเกตให้ดีธรรมะทุกบททุกตอนนะเป็นธรรมะเพื่อการปฏิบัติเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปหาครูบาจารย์อหนึ่งชื่อหลวงปู่เขียนที่คุณอริยะเวทีหลวงปู่เขียนเนี่ยได้ป ร, รีญญาเก้าด้วย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 อย่าตอนพระพุทธเจ้าไม่สบายพระจุนทะสวดพชทธชงท่านร่าเริงใจท่านหายป่วยหายป่วยด้วยกําลังของธรรมปีตินี่คนเดียวนี้สวดพุทธชงก็อย่างนั้นแหละฟังไม่รู้เรื่องนะพชทธชงเริ่มจากสติสติสามพุทธชงองค์ทำของสติสามพุทธชงก็คือตัวสตินัน่นเองสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้กายระลึกรู้ใจการที่สติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจเนี่ยเรียกว่าการเจริญปัญญา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 สมัมมาสติคอยรู้กายสมัมมาสติคอยรู้ใจอะไรเกิดขึ้นที่กายเกิดสัมมาสติรู้กายอะไรเกิดที่จิตสมัมมาสติรู้จิต S 2> <S 2> สมัมมาสติจะไม่ไปรู้อย่างอื่นนะสมัมมาสติต้องรู้กายรู้จิตไม่ใช่ไปคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จิตมีความสุขอิ่มเอิบใจจิตใจ จ, จดจ่ออยู่กับการคิดถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธไปเรื่อยหรือใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องนะดูท้องผองยุบแล้วก็เพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่สมัมมาสติ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 เร็วเหมือนฟ้าแลบเลยพอโกรธแวบสติเห็นแล้วขาดสะบั้นพอรอบแวบสติเห็นขาดสะบั้นสติเร็วเพราะงั้นกิเลสมีกําลังอ่อนท่านถึงสอนบอกพระสากีทาคารเนี่ยกิเลสเบาบางกิเลสเบาบางเพราะสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาหลาแวบก็ขาดหลายวบก็ขาดของเราไม่ขาดรู้สึกไห้ไหลแวบไปเอา้าไม่ขาดอีกแล้วโมโห อ, อีกมาทำไมไม่ขาดนะนเพิ่มกิเลสเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง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 จะเห ล, ลือแต่สุขกับทุกข์ทางใจเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นภูมิของพระนาคาก็จะไม่ค่อยทุกข์ทางใจแล้วนใหญ่จะมีความสุขทางใจเพราะทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะพระนาคามไม่มีโทสะแล้วเพราะงั้นใจจะไม่ทุกข์นะแต่ขันเป็นทุกข์ได้นะขันก็เป็นทุกข์ไปตามหน้าที่ของขันเพราะขันเป็นตัวทุกข์ต่ใจของพระนาคามีไม่ทุกข์เพราะขันไม่ทุกข์ไปตามขัน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 ก็ไม่มีแต่ความสุขล้นล้นวันนี้เทศแค่นี้พอขอ้าวกรนเทศยาวไปเมื่อคนบอกปลุมใจมีอะไรจะถามไหมหนึ่งนะออกคนนี้ยกเร็วใค่หนึ่งเท่านึงเนึ่องว่าหนึ่งสองสามเราจะได้เลิกเดี๋ยวหลวงพ่อบอกก่อนนะการถามธรรมะเนี่ยในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนี่พูดเพื่อ น, นมนาวไม่ให้ถามมากนะเมื่อวานเพิ่งสอนที่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 อ้าวเชิญถามได้เดี๋ยวก็จะตอบอย่างเดิมตอนนี้สะกลับรำมรัชกา ร, ร, กการหลวงพ่อครับตอนนี้ผมหลงบ้างรู้บ้างแล้วก็มีโทสะเล็กน้อยใช่ไหมครับใช่แล้วไปตรึงไว้ไปกดตัวเองไปด้วยตัวที่กำลังวงการพฤติกรรมของเราอย่างแรงเลยนะคือการบังคับตัวเองไว้รู้สึกไหมมันนิ่งนิ่งกิดความเป็นจริงครับดูออกไหม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 เราก็รู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นในใจเยเราเคลื่อนไหวไปเราทํางานไปแล้วเราก็ค่อยรู้กายค่อยรู้ใจไปเห็นไหมตอบได้อีกแล้วว่ารู้ต่อไปไม่มีใครถามอะไรหลวงพ่อหรอกพื่อนเลงพ่อคะฐานของจิตหนูเป็นไงบ้างคะอย่าสนใจกับฐานเลยนะ ย, ยังไม่ต้องสนใจหรอกถ้าสนใจฐานเดี๋ยวจะไปเพ่งเงา <S <S เพ่งมากไปนลวงพ่อค่ะ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 อย่างจิตใจของเด็กเนี่ยใสใ ส, ใสซื่อๆสําหรับสังเกตไหมทําไมเด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วเพราะใจของเด็กเนี่ยใสใ ส, ใสซื่อๆมันโกรธก็คือโกรธมันโลบก็คือโลภนะควาผู้ใหญ่จะโกรธก็ต้องวางความะจะโลบอยากได้จะต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เห็นไหมมันเสแสร้งหมดเลยเวลาจะเป็นนักปฏิบัตินะมันก็เก็บกรธเก็บกดไปทุกสิ่งทุกอย่างนะจะทําอะไรจะกระดุกกระดิกะอะไรเนี่ยผิดธรรมดาไปหมดเลย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 ใจมนุษย์คือใจของพวกเรานี้เป็นใจที่สูงอยู่แล้วนะเจนใจที่ดีใจที่วิเศษใจที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ทํำวิปัสสนาใจของเทวดาใจของลมอะไรนี้ไม่ได้เหมาะที่จะทำวิปัสสนาเท่าใจมนุษย์ใจเทวดามีแต่ความสุขความเพลิดเพลินเผลง่ายเพลินไปนานนานใจมนุษย์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นไหมเนี่ยมีสติตามรู้นะเกิดปัญญาเร็วใจเทวดาเหลือเพลินเพลิน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 จะได้ฟังทั่วๆกันนะจะได้ได้หลักไปด้วยคือไม่ใช่ตอบแล้วก็ได้ประโยชน์เฉพาะคนถามหล <นะ S 2> วงพครับพวกเราเยอะไม่สามารถจะถามทุกคนได้เพราะฉะนั้นคำถามใดที่โยงไปสู่ธรร ม, มะในภาคปฏิบัติได้หลวงพ่อก็พยายามโยงให้บางคนจะรู้สึกว่าถามนิดเดียวทำไมพูดยาวๆที่พูดซื่อชั่วโมงแต่อดทนฟังนะอดทนไว้อดทนเราได้ดีมาไม่รู้กี่ร้อยแล้วนะน่าไปไหนต่อละ หลวงพ่ออาโยมฝึกดูเนี่ยบางทีก็มีความสุขขึ้นมาบางทีก็ยังเพ่งยังประคอง อ, อยู่เจ้าคะ่ะ<อ>แล้วบางทีก็ไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นก<อ>ายใจแต่ว่าอันนั้นนี่ค่อนข้างที่จะเกรงเนะจ้า<อ>ค่ะก็รู้ถูกต้องแล้วนะที่เกรงก็เพราะยังอยากดีอยู่<อ>ให้เรารู้ทันความอยากดีของเราอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานไวย่ให้รู้ความอยากนี้ลงไป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 บ้านหลังนี้นะ่ะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอิยะสาวกพระรหันอะไรแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ว่าจะนิพพานแล้วหรือยังไม่นิพพานนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเ ร, เราอยู่กับท่านเลยอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนัย้นจะไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นลูกกำพร้าลูกไม่มีพี่น้องไม่ใช่จะมีความสุขมีความอบอุ่นอยู่อย่างนั้นเลยภาาเปลี่ยนเอานนะเด็กๆหลงทางทั้งหลายนะ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 เตรียมตัวเตรียมกายไว้ตั้งแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนกรุงพา บ, บอกแม่ไว้ครับดีแล้วใจก็พร <marks> ้อม um. จะไปบวชแล้วเวลาไปบวชนะอย่าเพ่งโทษคนอื่อนนะอย่าดูคนอื่นดูเราคนเดียวอย่าไปดูพระอื่นนะดูตัวเราคนเดียวดูกายดูใจของเราเพราะฉนั้นการบวชเนี่ยถ้าวางใจไม่ดีคาดหวังว่าในวัดจะต้องสวยสดงดงามเป็นโลกในอุดมคติเดี๋ยจะผิดหวัง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 มรณภาพไปละมีลูกศิษย์รุ่นพี่อยู่เขาพระบอกมาวันเนี่ยหลวงปู่รับรองว่าองค์เนี้ยท่านเข้าใจธรรมะขั้นต้นละก็ไปหาท่านไปเยี่ยมท่านเรายไม่ได้บวชนะไปถึงวัดที่ท่านอยู่เนี่ยตอนเที่ยงเที่งมองปลดัดพลัดไปรู้เลยว่าองค์ไหนเพราะเดินจงกรมอยู่องค์เดียวหลัง <laughs> น, นั้นเป็นเวลาเอ็นเช้าเอ็นเพล น, นอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจําวัด เดินตากแดดก็เดินอยู่ใครๆก็หัวรอกพระ อ, องค์นิ่มบ่าพาวนาอะไรหนักหนาสาหัสอย่าง น, นัเวลาผ่านมา20ปีพระ อ, องค์นั้นกลายเป็นพระแก้วพระทองไปแล้ว <นะ S 1> เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาจะไปดูคนอื่นนะเราดูของเราเราภาคเพียรไปคนอื่นเขาไม่ภาวนาเขาจะหัวร้อยย่ออะไรก็ช่างเขานะเราภาวนาลูกเดียว เคยเจออีกองคหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันตอนนั้นท่านไปอยู่ทางปทุมไปอยู่ในท้องนาไปอยู่แล้วก็ไม่มีต้นไม้เลยไปเยี่ยมท่านตอนเที่ยงเที่ยงต้องไปถึงตอนเที่ยงอ่ะเพราะเรานั่งรถเมลไปไปยากไปถึงตอนเที่ยงก็เดินเข้าไปตั้งเป็นกิโลกิโลนะเข้าไปเจอท่านกําลังเดินจงกรมอยู่เดินอยู่กลางแดดที่ต้องเดินกลางแดดเพราะว่าตรงนั้นมีแต่แดดไม่มีอะไรเลย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 บางคนอ่านหนังสือมีอ่านหนังสือแล้วก็หลุดออกมาตื่นขึ้นมามีแต่ซีดีเยอะกว่าห น, นังสือพหนังสืออ่านแล้วมีสับเยอะไปนิดนึงที่ต้องเขียนสับเยอะหน่อยเพือให้พวกนกักพี่ทำมาอ่านบ้าง <c oughs> ไม่งั้นนักปริญาตจะนักปฏิบัติไม่ถูกกันพูดกิดไม่รู้เรื่องครับกลับมาเมการหลวงพ่อนะครับวันนี้จะมาขอรายงานการปฏิบัติก็คือช่วยยกมายอย่างเนี้ยแบบนักร้องอะ่ะก็คือที่ผ่านมาก็คือรู้ตัวบ้าง แต่ว่ายังไม่ค่อยดีคือนานๆจะรู้สึกปัวแล้วทีพอรู้สึกตัวก็จะไปเพ่งนะครับออแล้วก็อย่างวันนี้ก็จะฟุ้งซ่านมากเลยครับเพราะว่าเหมือนเตรียมตัวมาส่งกันบ้านเ อ, อ <c oughs> ดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะเพราะว่าเราฟุงารรฟ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเพ่งไว้รู้ว่าเพ่งไว้รู้อย่างที่เขาเป็นใช้ได้แต่การที่สติเกิดน้อยนานๆเกิดทีหนึ่งเนี่ยเพราะจิตเราไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่ะงั้นเราต้องหาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งเครื่องอยู่ของเราเนี่ยไม่ใช่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 เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดความพึงแข่งแล้วก็ดับไปก็เกิดรอบใหม่แต่ทีนี้เมื่อเกิดรอบใหม่เอก็ก็จะเห็นเวทนาเนี่ยที่แรงก้าขึ้นแรงกล้าขึ้นแล้วแต่ละรอบแต่ละรอบไปแต่มันจะเกิดดับเกิดดับวนเวีนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็ดีแล้วเนี่ยนะดูลงไปเรื่อยๆก็ดีแล้วที่ภาวนาอยู่ถูกแล้วนะจิตใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้ว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 มันมันจะเกิดดับของมันเองครับบางทีย่งมากแค่ยังมากก็สองรอบหรือสามรอบแต่เวทนาเนี่ยมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเอแต่ถ้าเราไม่เวทนาเวทนาทางใจป่ะใช่ครับอ๋ออย่าไปเกลียดนันสิแล้วก็คุณต้องลดความจงใจที่จะไปรู้สภาวะลงถ้ามีความจงใจที่จะรู้สภาวะนะเวทนาทางใจที่รุนแรงอ่ะจะแรงขึ้นแรงขึ้นใจมันจะเครียดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ารู้เล่นๆนะไม่เครียดหรอก ดูเล่นๆแล้วจะมีความสุขชชยขึ้นมาเรื่อยๆแทนที่จะเครียดนะกับมีแต่ความสุขขูดขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอดูไปนานๆเลอเลอะเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ก็พักซะก็ะดูอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมดูอย่างนี้แหละ<ไ>ใช้ได้นะฝึกได้ดีด้วยซ้ําไปคุณรู้สึกไหมใจคุณโล่งๆเบาๆไปแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน่ะรู้สึกไหมมันยังไม่ค่อยรู้สึกเท่ไรครับนี่ดีแล้วไม่รู้ว่าดี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 รู้ทันใจของเรารู้ทันกายของเราที่กําลังเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นจิตใจเนี่ยบางทีก็แอบแวบๆบหแบบนีไปขยันเดินนะถ้าถ้าขี้เกียจเดินไม่ดีหรอกยิ่งมือใหม่ทั้งหลายเนะี่ยถ้าคนไหนเดินแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยก็เดินไปบางคนนั่งแล้วเคลิม้มถ้านั่งแล้วเคริ้มนะั่งไปเดินดีกว่าถ้าเดินไม่ไหวนะนั่งแล้วเคลิมแล้วก็ไปเดินไม่ไหวก็ไปนอนซะตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วมาดูอาใหม่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 นำ้ำมการพระอาจารย์ค่ะคือจะขอส่งการบ้านนะค ะ, ะอาจารย์เวลานี้รู้สึกว่าตัวเองเกิดความเบื่อหน่ายมากเลยอะคะ่ะแล้วก็บางครั้งนี่จะมีความรู้สึกว่าแบบร้องไห้ออกมานะคะแต่ว่ากําหนดรู้ตามะค่ะอาจารย์แล้วก็เวลามีอะไรเข้ามาสัมผัสนี่ใจมันจะเป็นกัางกลางอะคะ่ะ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 ฝึกตัวเองนะฝึกเพื่อตัวเราเองเหละเราจะมีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยแล้วข้างหน้าก็มีความสุขที่ดีขึ้นประนีตขึ้นรออยู่อดทนนิดหนึ่งนะจลินนิสัยของคุณมันขี้โมโหพวกโทสะขอบพระคุณค่ะ <S <S เห็นไหมเวลาหลวงพ่อพูดกับพวกโทสะต้องนุ่มนวลหน่อยกราบมนมรดการหลวงพ่อครับพอดีผมเพิ่งเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับไม่ทราบว่าถูกรหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับ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 เดินเล่นๆไม่ต้องว่าเราจะเดินจงกรมจริงจังนะเดี๋ยวเครียดวันนี้ใส่ขี้เครียดเครียดง่ายนะทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆไปดูนะว่าทําอะไรค่ะคุณค่ะคือสมัยก่อนคนน้อยนะอย่างหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูวิธีทั้งวันก็มีเราไปคนเดียวสองคนอะไรอย่างเงี้ย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 เขาก็ไปหัดดูเขานะเขาเผ่านางเขาได้งั้นถึงวันนี้แล้วพวกเรามีจำนวนมากเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆหน่อยสังเกตอะไรก็ไม่ดีเท่าโยนิโสมนสิกานะหัดสังเกตตัวเองอย่างแยบคายอย่างฉลาดไม่ใช่สังเกตอย่างเจ้าเล่หนะ์ะเช่นเดินจงกรมรู้ว่าดีอะแต่ก็อยากขี้เกียจลองมานนอนนอนซินอนแล้วก็รู้สึกตัวได้แวบหนึ่งก็เที่ยวประกาศ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 ผมทำถูกไหมครับก็หลวงพ่อแนะนำนะครับทำถูกนะแต่ใจตอนนี้มีโมหะเยอะไปนิดนึงมันมัวไปนิดนึงดวออกไหมค่ามันตึงเต้นด้วยครับอ๋อตึงเต้นแต่ใ จ, ใจมันฟุ้งุงนี่กดแล้วนี่เก็บกดนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะี่นั่งเก็บกดปล่อยมันนะปล่อยมันเลิอกอยังเพราะว่าญาติโยมจำนวนมากอยากกลับละกลาบนมัสการหลวงพ่อครับ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 แล้วก็จงใจที่จะมาดูกายดูใจพอจงใจดูเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปเกาะในสิ่งที่เราไปรู้พอไปเกาะแล้วไปอยู่นิ่งๆอยู่ใจจะแข็งแข็งใจจะเครียดเครียดขึ้นมาเพราะฉะั้นถ้าภาวนาแล้วใจแข็งแข็งเครียดเครียดขึ้นมานะ่นแสดงว่าไปเพ่งไปแล้วล่ะะค่อยๆสังเกตเอาว่ามันไปเพ่งอะไรมันถึงแข็งแข็งขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ใจไหลหนีไปคิดแวบหนึ่งรู้สึกไหมรู้สึกครับแล้หันรู้สึกเรื่อยๆนะเนี่ยไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมแล้วมันอยากพูดแวบขึ้นมาด้วย รู dia, filho, sure ้ส yeah, ึกไหมให้รู้ลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะเราโดยส่วนใหญ่เราผมเพ่งเกินไปหรือเปล่าเพ่งเกินไปนิดหนึ่งลดลงนิดหนึ่งเพ่งมันมาจากความอยากดีเผลอนล้มันมาจากความอยากชั่วนะเพ่งนั้นมันอยากดีก็เลยไปเพ่งไว้พ่อหลงครับเพราะฉะนั้นเผลอไปเขาเรียกว่าออาปุญญาพิสังขารที่ไปเพ่งก็เรียกว่าปุญญาพิสังขาร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 ขอพระอาจารย์ได้กรุณายกโทษทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจเพราะความประมาดด้วยเถินหลวงพ่ออาโหสีกรรมให้นะแล้วถ้าหลวงพ่อประม า, าดลัดั้งอะไรพวกเราหลวงพ่อก็อโหสีด้วยนะนี่ธรำเนียมพระนะเอวังโหดตัวเอวังโพตัวโยจับปุกเพปมาชิตตวาปัชชาโซนับปมาชิติโสมังโลกังปภาเซติอาภามุตโตวจันดิมา ยะสะปาปังกตังกั ม, มังกุสเรณประปะฮิยติโสมังโลกังปะพาเซตีอาภามุตโตวจันิมาอาภิวาทนาสีลิธินิจังมุฒาปจ า, ายโนจตตาโรธรรมาวะทันตีอายุวันโนสุขังพระลังเรต้องถวายทานดครับแต่เราถวายทานร่วมกันนะครับ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 เมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยไปหาครูบาจารย์ทยอีสานท่านบอกว่าท่านส่งต่อไปอีกร้อยี่สิบเก้าวัดนะนของที่พวกเราให้หลวงพ่อมาเนี่ยมันกระจายไปสู่อีกร้อยสามสิบวัดนะนั้นเป็นบุญหลายชั้นของพวกเรารับถ่อนนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปูเรนติสาขาังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติ อิชีตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสเพเปูเรนตูสังกปาจันโดปันราโสยถามณิชโชธิระโสยถาสพีติโยวิวัตชันตูสภโรคโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายยโกภาวาอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุทาป จ, จายิโนจัตตารโธรมาวทันตีอายุวันโนสุขัง กลัง